เมื่อเช้าดูเรื่องไหมมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะเรื่องการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเราเราจะพ้นจากทุกข์ไดนะ้ใจเราต้องเป็นอิสระสิ่งที่ผูกมัดใจเราไว้ให้มันไม่มีอิสระก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละถ้ากิเลสมันหมดฤทธิ์หมดอำนาจไปใจเราก็มีอิสระขึ้นมา นี่ทำไงกิเลสจะหมดฤทธิ์แล้วก็มีเครื่องมือนะมีศีล ส, สมาธิปัญญาสู้กับกิเลสศีลก็ไว้สู้กิเลสหยาบๆยราคะโทสะรพวกนี้สมาธิเอาไว้สู้ออกับความฟุ้งซ่านปัญญาสู้ออกับความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นโมหะเป็นโมหะชั้นสูงความไม่รู้ถ้าเมีสติรุ้มครองจิต กิเลสเลยเกิดเรารู้นะศีลมันก็เกิดเองถ้าใจเราไหลไปฟุ้งไปเคลื่อนไปเรารู้สมาธิก็จะเกิดขึ้นเองพวกที่มาเข้าคอนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะลองทดสอบอันหนึง่งหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะแล้วพวกเราห้ามคิดนะลองดูซิห้ามคิดนะเอาละจะหยุดพูดละ คิดไหมเห็นไหมใจมันจะไหลไปเรื่อยๆหลออกไหมใจมันจะไหลไปไหลมาไหลไปไหลมานะเคลื่อนไปๆๆๆๆเรื่อยๆนั่นแหละใจเราไม่มีสมาธิใจสมาธิใจจะไมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเลยนี่ในขั้นนี้เราก็อาศัยสติรู้ทันใจที่ไหลไหลๆนะใจนั่นจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นไม่ไหล ถ้าเราพ อ, อนาสุดขีดเป็นพระละหันนะใจจะไม่เคลื่อนอีกเลยแต่การไม่เคลื่อนของพระละหันนั้นแปลกที่ไม่เคลื่อนเพราะว่าจิตเนี่ยมันขยายตัวเต็มที่ไปหมดเลยนะไปถึงทุกขนทุกแข่งนะไม่มีขอบเขตงั้นมันไม่ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรอกนะึกจะรู้ก็รู้ไปจิตของเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งเล็กๆนะวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วเราให้พัฒนา มีสติคุ้มครองรักษาจิตกิเลสเกิดรู้ทันราคะโทสะเกิดรู้ทันได้ศีลจิตฟุ้งซ่านมีโมหะฟุ้งซ่านไหลไปไหลมารู้ทันได้สมาธิจิตไหลไปได้หกช่องไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลได้หกช่อง ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลได้หมดเลยนีย่เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปไม่อย่าไปบังคับมาห้ามเคลื่อนนะเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นี่อยู่ๆเราจะดูจิตเคลื่อนทั้งหกช่องดูยากเราก็มาฝึกก่อนเอาสองช่องทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราเห็นร่างกายหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำกรรมฐาน เห็นไมมใจมีความสุขรู้สึกไหมใจมีความสุขนะมีได้ไม่ห้าม ใ, ใจมีความสุขแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันนะราคะจะเกิดยินดีพอใจเวลามีความทุกขนะ์นแล้วเรารู้ไม่ทันนะโทสะจะเกิดแล้วราคาโทสะเนี่ยตามหลังความสุขความทุกข์มาตามหลังเวทนานะ เรามีความสุขเรารู้มีความทุกข์เรารู้นะรู้ไปเรื่อยดูไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปจ้องรู้ไปสบายๆถ้ารู้ได้ถึงตรงนี้ก็ดีถ้ารู้ไม่ทันนะมีความสุขแล้วก็พอใจราคะเกิดมีความทุกข์แล้วก็ไม่พอใจโทสะเกิดก็ให้รู้ทันรู้ทันตรงนี้ก็ยังดีอีกลับเราไม่ผิดศีลแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านไปแล้วก็รู้ทัน ตอย่าตั้งมั่นพ่าจิตใจเราอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็มาถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติคือขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาสู้กับกิเลสอะไรสู้กับความไม่รู้สู้กับความโง่ของเราเองไม่ได้สู้คนอื่นเลยความไม่รู้อะไรความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละถ้าสูงสุดนะคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุก ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคเรียกว่าตัวอวิชชาวามไม่รู้ขั้นสูงสุดเลยอ น, นี้พระอราหันต์จะละตัวนี้ได้คนอื่นยังละไม่ได้นี่เบื้องต้นเรายังไม่ต้องไปละอวิชชาเบื้องต้นเอาง่ายๆกว่านั้นตัวแรกเลยคือสักยัตทิฐิสักยัตทิฐิทิฐิว่าความคิดความเห็นสักยัติทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวเราอยู่จริงๆ คำว่ามีตัวเราอยู่จริงๆหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันมีตัวเราที่คงที่อยู่เป็นอมตะนะบางคนเห็นว่าตัวเรานี่มีจริงๆเลยมีแน่นอนแล้วก็พอร่างกายนี้ตายนะตัวเราที่แท้จริงก็ไม่ตายออกจากร่างนี้ไปเกิดอีกอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าตัวเรานมีจริงๆแต่พอตายแล้วทุกอย่างก็สูญไปหมดเลยตรงที่ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเนี่ย รากเง้ามันมาจากเดี๋ยวนี้เรามีจริงๆถ้าโสตนาบัตเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่มีตัวเราหรอกนะงั้นงานแรกที่เราจะมาเตืนตัญญากนะ็คือมาล้างความเหตุผิดว่ามีตัวเรานะแล้วขั้นปลายออกไปนะจะไปรู้แจ้งอริยสัจจะหมดความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างเจตใจจะเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงมีความสุขที่มหาศาล มีชีวิตอยู่นะร่างกายเป็นทุกข์ได้นะแต่จิตเนี่ยไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละไม่มีอะไรปลุงมันได้อีกเบื้องต้นมาสู้กับความเห็นผิดนะว่ามีตัวเรามีตัวเราแล้วมันเสียอะไรมีตัวเราเวลาร่างกายนี้แก่เราก็ว่าเราแก่ร่างกายนี้เจ็บมันก็เป็นเราเจ็บร่างกายนี้ตายก็เป็นเราตายเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ใครเป็นคนพลาพราดกับสิ่งที่รักเข้าใจเรานี่แหละพราดพลาดสิ่งที่รักรักไม่รักอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายพื้นที่ร่างกายห่างออกไปนะอย่างเรามีแฟนคนหนึ่งรักกันมากนะพลดาดพลาดกสิ่งที่รักเนี่ยประเภทห่างออกจากกันแต่ยังรักกันอยู่นะไม่รู้สึกว่าพลาดพลาดมันร่างกายแยกออกนะั้นในใจยังเกาะอยู่ด้วยกันไม่พราดพลาด ถ้พราดพลาดหรือไม่พราดพลาอยู่ที่ใจนี่อยู่ด้วยกันนะทะเลาะกันใจมันก็พลากับกันตัวอยู่ติดติกันใจแยกกบกัยกันพลาดพลาดเวลาที่พลาดพลาจากสิ่งที่รักมันจะเห็นว่าใจแหละมันคิดว่าพลาดพลาดไม่ใช่เราพลาดพลาดนะเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักใจมันไม่ชอบใจมันไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเขาไม่ใช่เราไม่ชอบ เวลามีความอยากขึ้นมาแล้วไม่สมอยากใจแน่มันอยากใจมันไม่สมอยากไม่ใช่เรารือจะไม่มีเรานะเด็ก แ, แกจะเจ็บจะตายก็ไม่ใช่ตัวเราแก่เจ็บตายแต่ร่างกายเป็นแก่เจ็บตายพรัพกใคร่กับสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาทั้งหลายใจมันเป็นคนทําไม่ใช่เราอีกนะถ้าฝึกได้จะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะ่ะมีความสุขที่มากมายเลย ไม่เท่าพาระอรหันต์หรอกแต่ว่าเทียบกับบุตรชนแล้วเทียบกันไม่ติดเลยบางคนนะั้นคิดมักง่ายนะพรริยะบุคคลมีสี่ระดับโสดาสกตค า, าอนาคาพาระอรหันต์เหมือนได้โสดานะี่มีความสุขยีสหเอร์เซนหรือละกิเลสได้ยีเปอร์เนะได้สกาคาละได้ครึ่งหนึ่งอนะไรเงี้ยได้มีความสุขครึ่งหนึ่งแล้วไม่จริงหรอกนะไดโสดานะชีวิตจิตใจนะั้นเปลี่ยนไปหมดเลยนะถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะ ว่าโสดาปฏิมักเนี่ยเป็นบรรลุอริยมรรคขั้นแรกเนะี่ยโสดาปฏิมักนะมีค่ามากกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราเป็นจักรพรรดินะไม่นานก็แก่ก็เจ็บก็ตายต้องพลัดพลาดสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องไม่สมหวังบ้างยังเป็นของแปลกปลวนอยู่แต่เมื่อโสดาปฏิมักเกิดแล้วเนี่ยจะไม่แปลปลวนถึงวันหนึ่งข้างหน้าต้องเป็นพระวทหารหนแน่นอน ส่วนาาพระจักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิยังเวียนว่ายไตเกิดยังไม่พ้นจากทุกข์หรอกงั้นได้โสดาปฏิมาษ์นะั้นดีกว่าได้เป็นจกักรพรรดินะจกักรพรรดิหมายถึงเจ้าโลกไม่ใช่เป็นเจ้าครองประเทศเดียวเป็นนายกประเทศเดียวไม่ใช่นี่หมายถึงเป็นเจ้าโลกได้เลยไม่มีใครต้านทานแต่ถ้าเป็นโสดานะชีวิตจะไม่ตกต่ําหมายถึงในทางจิตใจนะต้องสูงขึ้นเรื่อยเรื่ยพวกเรามีโอกาสทุกคนอะ่ะ ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีให้มีศีลรู้วิธีให้จิตใจมีสมาธิคือจิตใจอยู่กับตัวเองนะรู้วิธีเจริญปัญญาเพราะสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้คือเรื่องวิธีเจริญปัญญานะเพื่อจะได้มาเห็นเกิดปัญญาเห็นว่าขั้นแรกตัวเราไม่มีขั้นที่สองตัวที่มีนะัคือตัวทุกีนะสองระดับนะขั้นแรกได้โสดาบันจะเห็นว่าตัวเราไม่มี แล้วภาวนาต่อไปนะจะเห็นว่าตัวที่มีอยู่คือตัวทุกข์มันมีตัวอะไรแต่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวขันห้ามีร่างกายและตัวรูปมีความรู้สึกสุขทุกมีความจําได้หมายรู้มีความปรุงดีปรุงชั่วมีความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกเล่นกายใจสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเรารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่เรา สัญญาคือความจําได้หมายรู้ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่เราวิญญาณก็คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหลือจากขันห้านะไม่มีเราที่ไหนเลยขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันห้าทํางานได้แต่ไม่มีผู้กระทำํำไม่มีเราผู้กระทำํำเนี่ยถ้าได้สวดาจะเห็นอย่างนี้ ขันมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของขันทํางานไปไม่ใช่เราทํางานไม่มีผู้ทํางานขันเป็นทุกไปแต่ไม่มีผู้เป็นทุกเ น, นี่ยเราจะค่อยพัฒนาจิตมาสู่ตรงนี้ทําอย่างไรเราจะถอนความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราได้วิธีถอนความเห็นผิดมีอย่างเดียวคือเห็นให้ถูกเมื่อไหร่เห็นถูกเมื่อนั้นไม่เห็นผิดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากําปั้นทุก ทุบ ด, ดินเลยใช่ไหมแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นถูกเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นผิดเมื่อนั้นแหะถ้าเห็นผิดเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นถูกก็ ม, มีแค่นั้นเองเราเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆด้วยความเคยชินนะคืออาศัยขันทั้ง5ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือร่างกายส่วนที่เป็นนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์การนึกได้จําได้นะการคิดปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่ว ถ้าความรับรู้ตัวจิตตัววิญญาณอาศัยขันห้าเนี่ยมันมารวมกันอยู่ขันห้าพอมารวมกันอยู่นะเรามีความหมายรู้ที่ผิดเกิดขึ้นเราจะเกิดเรียกว่าสัญญาวิปปลาดการหมายรู้ที่ผิดคือหมายรู้ว่ากลุ่มของขันห้านี่แหละมันเป็นอันเดียวกันมันคือตัวเรานะพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่ง เราตอนเด็กๆกับเราเดี๋ยวนี้ก็เราคนเดิมแหละจะรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าขันมันมารวมกันแล้วสัญญาคือเราใจมันเข้าไปหมายสําคัญมั่นหมายอ่ะมันเนี่แหละคือตัวเรานี่คือตัวเรามันเคยชินที่จะสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราเราถูกสอนมาแต่เล็กๆเลยนะนี่พ่อนี่แม่นี่ตัวหนูนะอะไรนี่นะค่อยๆสอนมีเขามีเราค่อยสอนสอนสอ น, สอนมันเชื่อแน่นแฟ้นเลยนะความจรมันเชื่อมาแต่ชาติก่อน เชื่อแน่นแฟนเลยว่าตัวเรามีจริงๆวิธีที่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะคือเห็นถูกวิธีเห็นถูกเนี่ยจับขันที่มันรวมเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมาแตกให้มันกระจายออกไปทำขันนี้ให้แตกออกแล้วแล้วเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าขันห้ามารวมกันเมื่อไหร่นรนะแล้วสำคัญมั่นหมายมันง่ายที่จะสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเรา เมือเยังมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นรถยนต์เนี่ยเราก็เคยชินแล้วน่ะจําได้ว้าเนี่ยรถยนต์นี่รถยนต์นะเห็นมาแต่เล็กเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆแต่พอเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นชินนะลูกล้อลูกเราไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกเราไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์กระทั่งเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์กระจกนะ เบาที่นั่งอะไรเงี้ยไม่ใช่รถยนต์ทั้งหมดเลยสีที่ทารถก็ไม่ใช่รถยนต์นะแต่ถ้าอะไรทั้งหมดมันมารวมกันเนียเป็นตลุ่เป็นก้อนรูปไร่ยอย่างเนี้ยเราก็สําสคัญมั่นหมายเพื่องความเคยชินว่านี่แหละรถยนต์รถยนต์เลยมีขึ้นมาสีที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยก็ เ, เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งนั่นแหละมันประกอบด้วยอะไรห้าส่วนใหญ่ๆ่เรียกว่าขันห้านะถ้าเมื่อไร่เราถอดออกมาเป็นส่วนส่วน เราจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปเหมือนกับอะไรแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่รถยนตนะ์วิธีนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าท่านามาสอนนะเรียกว่าวิพัฒชวิธีวิพัฒ์ก็ว่าจับมันแยกออกไปแยกส่วนเป็นการเรียนแบบแยกส่วนเพราะถ้ามันไม่แยกส่วนมันมารวมกันนะนจะสำคัญมั่นหมายว่ามีเราถ้าแยกส่วนแล้วความเป็นเราจะหายไปวิธีที่จะทำให้มันแยกส่วนของขันท่าได้นะ อาศัยจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละอาศัยจิตที่เราฝึกที่หลวงพ่อบอกว่ามันต้องเตรียมจิตให้พร้อมถ้าจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนเมื่จิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะค <stain. ras ug dialogue> ่อยรู้สึกลงไปที่ร่างกายตอนนี้ร่างกายทุกคนนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายนั่งไหมเห็นไหมใจเราเป็นคนรู้ร่างกายเป็นคนนั่งลองพยักหน้าซิลองพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้าไหม ใรเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหานะว่าใจอยู่ที่ไหนเราแค่รับรู้เท่านะมันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ไม่ต้องไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะหาไม่เจอมันเป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างที่จะหาเจอเราทุกคนยิ้มเราก็เห็นว่าร่างกายกำลังยิ้มยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มยิ้มมหมยิ้มไหมยิ้ม เนี่ยเห็นไหมรา Raw, ่างกายัวดร้ะเห็นัร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระยุกกระยิบเนี่ยเห็นไหมร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ตรงไหนนะเนี่ยค่อยๆดูไปนั่งไปนะแล้วก็เห็นเลยร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูฝึกไปช่วงหนึ่งเราจะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันแยกได้สองอันนะีกายกับใจแยกออกกกัน นี้พอนั่งไปนานๆนะมันเมื่อยขั้นแรกต้องทนหน่อยลำบากนิดหน่อยนั่งนานๆนั่งให้มันเมื่อยไปเลยพอมันเมื่อยขึ้นมานะแล้วค่อยๆสังเกตเมื่อกี้ร่างกายยังไม่เมื่อยนะตอนนี้เมื่อยความเมื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่แปรปลอมมาทีหลังนะทีแรกยังไม่เมื่อยแต่ความเมื่อยแอบเข้ามานะความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายหรอกมันมาทีหลังร่างกายนะมีร่างกายความเมื่อยมันมาทีหลังนะเราจะรู้ว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกัน แล้วความปวดความเมื่อยนะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใจเราไปรู้เข้าอีกอัะมันไม่ใช่จิตใจของเรานะเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะนี่แยกหนึ่งนี้เราได้สามขันนะความปวดความเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันนะคือสุขตัวสุขตั ว, ต ว, ตวทุกนะนี้พอมันเมื่อยมากๆก็อย่าเพิ่งขยับทนหน่อยจะฝึกเอาของดีครั้งแรกๆยอย่านอดทนสักหน่อยลงทุนบ้างนะต้องทนลำบากหน่อยใช่ไหมไม่มีของฟรี เรภาวนายิ่งลําบากอย่างเลยลาบากมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปชนะใครหรอกชนะกิเลสตัวเองเยากที่สุดเลยนะชนะคนอื่นน่ะไม่ยากหรอกชนะกิเลสตัวเองนี่ยากที่สุดเลยนั่งหัดแยกขันไปร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมาก็เห็นไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ใจด้วยเป็นอีกขันหนึ ง, นงเรื่องว่าเวทนาขันพอปวดเมื่อยมากๆนะใจก็เริ่มทุรนทุรายอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะลุกขึ้นละ บางทีก็คิดฟุ้งไปเลยนะกุ้มใจโหนั่งนานเดี๋ยวจะเป็นอมัมพาตหรือนั่งนานไปนี่แหละอัตตะกิลมัฏฐานโยคพระพุทธเจ้าห้ามใจมันฟุ้งไปค่อยๆรู้ทันใจใจที่ทุรนทุลายกระสับกระส่ายนะไม่ใช่ความปวดเมื่อยเห็นไหมความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายแต่ความทุรนทุลายอยู่ที่ใจเนี่ยเราจะเห็นอีกขันหนึ่งนะตัวนี้เรียกว่าสังขารขันนะสังขารขันคือความปรุงของจิตปรุงปรุง ปรุงดีบ้างปลูงชั่วบ้างปลูงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นความปลูงของจิตเราจะเห็นว่าความปรุงแบบนั้นนะความความกลุ่มใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่เดิมจิตไม่ได้กลุ่มใจตอนหลังอยู่ๆความกลุ่มใจก็โผล่เข้ามาเมันก็จะเห็นได้ว่าความกลุ้มใจหรือสังขารเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนี่ยเราแยกได้สี่ขันแล้วนะขันที่ตัวที่ยุ่งที่สุดเลยคือสัญญาขันเบ็นไว้ก่อน สัญญาขันนี่เว้นไว้ก่อนแต่ว่าตอนที่ทํากรรมฐานไปเนี่ยถ้าพูดให้แจกแจงให้ละเอียด น, นะอาศัยสัญญาสัญญาเป็นตัวหลอกลวงให้เราหลงผิดก็จริงนะแต่สัญญาเนี่ยที่ถูกสัญญาชนิดที่ถูกเนี่ยนะทำให้เกิดปัญญานะสัญญาที่ถูกก็คือการหมายรู้ว่าขันห้านี้ไม่เทียงการหมายรู้ว่าขันห้านี้เป็นตัวทุกข์การหมายรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวใช้ตนบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัญญาที่ถูก ถ้าหมายไปเรื่อยนะมีสติไปรู้กายสัญญาก็หมายรู้มันอย่างซึ่ง อ, อยู่ในใจนะั่นนี่ของไม่เที่ยงนี่ของเป็นทุกข์เลยนะีนะหมายไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้บ่อยๆนะสุดท้ายปัญญาจะผุดขึ้นมาเวลาปัญญาเกิดเนี่ยเกิดเป็นแวบๆบแบบนะปัญญาไม่เกิดยาวๆแต่เกิดเป็นแวบๆบแบบนะมันจะปิ้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกอย่างนี้นะงั้นเวลาปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยเกิดแวบบเดียว นันอาศัยสัญญาไป็หมายนะแต่ตัวนี้ละเอียดเกินไปหลวงพ่จะยังไม่สอนนะเอาไว้เราค่อยพอวนาแล้วเราค่อยๆเห็นเองว่าสัญญามีบทบาททั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะฝ่ายลบนี่นะมันคล้องใจเรามันตลอดเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราแต่ถ้ามันหมายรู้ถูกมันเห็นของไม่เที่ยงรู้ว่าไม่เที่ยงนะมันมองอะไรก็เห็นแต่ความไม่เที่ยง หมายรู้คือมองอะไรก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามีอนิจจสัญญาหรือมันหมายรู้มันมองอะไรมันก็เห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอย่นี่กำลังถูกปีบคั้นให้สลายตัวอยู่นี่เรียกว่าทุกขสัญญานะหรือมันหมายรู้นะมองอะไรมันก็เห็นเลยไม่เห็นมีอะไรที่เป็นแก่นสารเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนที่แท้จริงเลยเรียกว่าอนัตตสัญญาที่เป็นสัญญาฝ่ายดีนะซึ่งจะต้องใช้ในตอนทำวิปัสสนา นี่ตอนนี้แขวนมันไวยก่อนเอาสี่ขันนี้ตัวร่างกายอันหนึ่งนะตัวสุขทุกข์อันหนึ่งตัวปรุงดีปรุงชั่วนหนึ่งตัวรู้อันหนึ่งฝึกอย่างนี้บ่อยๆพ อ, อขันแยกออกไปใจเป็นคนดูต่อไปอาศัยสติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวอย่างตอนนี้ร่างกายเราเคลื่อนไหวไหมสังเกตนะร่างกายเราเคลื่อนไหวไหมขนานี้ใครร่างกายไม่เคลื่อนไหวบ้างมีไหมไม่มีหรอกเพราใจก็เต้นตุบๆอยู่ใช่ไหม ร่างกายก็หายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีสติรู้เห็นร่างกายมันกระดุกไ ป, ป, ป, ปย shaping, ปิกรยุบกรยิบอยู like <iage Lynn. S 2> ่นะใจเราอยู่ต่างหากนะค่อยๆดูไปร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แยกออกไปจากจิตมันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะมีแต่ความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนไปเรื่อย ร่างกายไม่ว่าจะอยู่ตรงอีเรียบทใดนะก็ถูกความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกนะนอนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกทำอะไรก็ทุกไปหมดเลยเวลาหิวทุกไหมเวลาอิ่มก็ทุกอีกใช่ไหมหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกนะไม่จะทุกเต็มไปหมดเลยนี่เราค่อยๆดูค่อยๆดูไปไดดูร่างกายนะไม่ต้องไปคิดหรอกดูร่างกายไปนะแล้วถ้า ใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเริ่มเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นแค่ของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเป็นของที่ถูกความทุกข์ผูกพันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคอยรู้คอยดูไปเรื่อย น, นะแต่ถ้ามันไม่ยอมดูมันรู้ตัวอยู่เฉยๆนะช่วยมันหมายหน่อยช่วยมันหมายดูเราที่ร่างกายแล้วสอนมันนิดหน่อยนะอร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยใจเป็นคนดูกลกับใโคโรนนะอ่ะสอนมันนิดๆหน่อยน เออร่างกายนี่ตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าแล้นี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้สอนมันนิดหน่อยนะเบื้องต้นถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาแนละช่วยมันสอนสอนมันนิดนหน่อยๆได้แต่ถ้ามันเห็นเองมันไปหมายรู้ได้เองแล้วอย่าไปยุ่งกับมันดู <Kingdom. S 2> ดูลูกเดียวเลยถึงจุดนั้นร่างกายมันยืนเดินนั่ ง, น, งนอนก็รู้สึกไปด้วยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายปวดเมื่อ ย, ยอนนไม่ใช่เราปวดเมื่อยะ เห็นจิตใจดีบ้างร้ายบ้างไม่ใช่เราดีบ้างไม่ใช่เราร้ายบ้างเวลาความโกรธเกิดเนี่ยคนที่ภาวนาไม่เป็นก็จะรู้สึกว่าเราโกรธคนภาวนาเป็นก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราความโลภไม่ใช่เราความหลงก็ไม่ใช่เราสุดท้ายจะเห็นว่ากระทั่งจิตยังไม่ใช่เรานะกระทั่งจิตคือตัวบินญังก็ไม่ใช่เรา เป็นของที่เกิดดับตลอดเวลาคําเป็นเราเนี่ยหมายถึงเราอมตะนะเราถาวรจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาที่เราดูมาตั้งแต่ร่างกายนะดูความสุขความทุกข์นะดูอุสรอุศลที่เกิดนะเมื่อแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ใช่เราสักเดีอยมาถึงตัวจิตเหมือนกันจิตก็เกิดดับจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับลองดูพระพุทธรูป ดูนะดูให้ชัดตลอดเวลาได้ไหมสังเกตดูดูให้ดีเราเห็นชัดแว็บเดียวแล้วเราก็ตาก็จะเบลอเบลอไม่ชัดต้องดูใหม่อีกทีก็ชัดอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เบลอไปอีกสังเกตดูซิจริงไหมไม่ชัดตลอดชัดเป็นแวบๆบแบบตรงที่ตามองเห็นนะมีจิตเกิดที่ตาเนี่ยเราจะเห็นรูปได้ชัดนี่พอจิตที่ตาดับเนี่ยเราไม่ได้เห็นรูปหรอก แต่อาศัยความจําอาศัยสัญญาจํารูปได้แต่ความจํานี่ยยังไม่ดีมจาได้เบลอๆแล้วรูปเีจะเลื่อนๆไปแล้วรู้ด้วยความรู้สึกแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยตาละนะเวลาที่เราทํากรรมฐานนะเราถือเราจุดไฟจุดเทียนไว้แล้วดูเราจะเห็นเทียนเห็นไฟเนี่ยชัดบ้างไม่ชัดบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะอันนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตนะต่อมานะเราจะเห็นเห็นด้วยสัญญานด้วยใจนะ ไม่ได้เห็นด้วยตาต่อไปแล้ถึงหลับตานะก็เห็นชัดเหมือนกับลืมตาเห็นนะนี่เรียกว่าอูกขหานิมิตนะต่อไปเนี่ยเรลยวไฟอะไรเนี่ยจะรวมตัวเป็นดวงนะสว่างได้ขยายได้เล็กได้นะเล็กลงมาเท่าปลายเข็มนะแสงจะเข้มปึ้งเลยหรือจะขยายใหญ่เท่าพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ได้นี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตแต่เราไม่ได้เรียนนิมิตหรอกนะเราเรียนแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันรู้ได้ชัดทีละแวบบรู้ได้ชัดทีละแวบบ เห็นไหมดูออกหรือยังไม่เห็นชัดที่เแวบเดียวเราดูดูมือตัวเองก็ได้เราจะดูดูมือนะเราจะเห็นเลยแล้วว่าเราดูเหมือนต่อจิกซอเดี๋ยวก็ดูตรงจุดนั้นเดี๋ยวก็ดูตรงจุดนี้นะแล้วก็อาศัยกับความจำนะประมวลเป็นภาพรวมขึ้นมาเพราะจริงๆตามเราเห็นรูปเนี่ยเห็นช่วงขนาดเห็นนิดเดียวเองจิตที่เกิดที่ตาหือจิตที่ไปเห็นรูปแวบเดียวก็ดับจิตที่ได้ยินเสียงแวบเดียวก็ดับ จิตที่ไปคิดก็เกิดดับเหมือนกันจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ร้ายก็เกิดดับเหมือนกันอันนี้จะละเอียดนิดหนึ่งนะค่อยๆหัดดูไปการที่เราคอยดูขันห้าเนี่ยขันห้าแยกทีแรกต้องแยกมันให้เป็นก่อนจะแยกมันได้ใจต้องตั้งมัน่นพอตั้งมั่นแล้วขันมันแยกพอขันแยกแล้วก็ดูไปแต่และขันเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยสติะระลึกรู้กายนะ ก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราสติรู้ความสุขทุกข์ก็เห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เราสติรู้กุศลรู้กิเลสก็เห็นว่ากุศลรึกกิเลสก็ไม่ใช่เราสติรู้ทันจิตที่เกิดดับทางถาวรทั้งหกก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเห็นซ้ําๆไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจิตจะประมวลความรู้เข้ามานะจะตัดสินความรู้เลยในอัปปนาสมาธิเข้าเองเข้าสมาธิขเข้ า, ามาเองอริยมรรคจะเกิดขึ้น อารามักครั้งแรกเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะเราไม่มีอีกต่อไปแล้วหลจากนั้นก็พอนา ม, มือนเดิมนะแยกขันไปดูขันแต่ละขันทํางานไปเรื่อยๆปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าตัวเราน่ะไม่มีตัวที่มีคือตัวทุกข์ร่างกายนี้ตัวรูปนี้เป็นตัวทุกข์ความสุขความทุกข์คือตัวเวทนาเป็นตัวทุกขนะ์ ตัวสังขารควปรุงดีปรุงชั่วเป็นตัวทุกตัวจิตนั้นเป็นตัวทุกมันจะเห็นอย่างนี้นะพอมันเห็นทุกแจ่มแจ้งมันรู้แล้วขันห้านี้แหละคือตัวทุกเพื่อจะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนที่ท่านบอกว่าทุกให้รู้ทุกคืออะไรทุกก็คือขันห้าสิ่งที่เรียกว่าขันห้านะเรียกว่าตัวทุกท่านใช้คําว่าสังคตเตนะปัจจุบปาธาณขันธาทุกข์ขาดโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุก หน้าที่ตัวทุกคือรู o, ้เพราะฉะนั้นเรารู้ขันห้าทํางานไปด้วยนะแล้วก็เห็นความจริงขันห้าไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ได้น่ายึดถืออีกต่อไปบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกเพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกเพราะมันถูกบีบขันบางคนเห็นว่ามันตัวทุก์เพราะว่ามันบังคับไม่ได้เห็นความไม่มีสาระแก่นสารของขันจิตจะปล่อยวางขันเมื่อเห็นความจริงแล้วนะจิตจะปล่อยเองไม่ยึดถือขันเมื่อไม่ยึดถือขันแล้วนะ รู้ความจริงของขันแล้วหมดความยึดถือขันแล้วเนี่ยความอยากใดๆจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปละเพราะความอยากทั้งหลายแหล่นะมันประมวลลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจทนทุกข์แต่เมื่อมันแจ้งแล้วว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนความอยากที่ไร้เดียงสาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นการรู้ทุกข์ก็เป็นการละสมุทัยในขณะเดียวกันนะละความอยากทันทีที่ความอยากถูกละนิโรธคือพระนิพพานด้วยแจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตานี่เอง เมื่อไรรู้ทุกเมื่อนั้นละสมุทยัยเมื่อไรละสมุทยัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเพราะงั้นงานพวกนี้เกิดในขณะเดียวกันในขณะที่แจ้งนิโรธนั่นแหะขณะนั้นเกิดอริยมรรคขึ้นดังนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยนะประชุมลงทํางานเสร็จพร้อมๆกันเลยคือการรู้ทุกในขณนะนั้นในขณะนั้นก็ละสมุทยัยในขณนะนั้นก็รู้แจ้งนิโรธในขณะนั้นก็เจริญมรรคหน้าที่ต่อทุกคืคอรู้หน้าที่ต่อสมุทัยคือตันหาคือละ หน้าที่ต่อ น, นิโรธคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปแจ้งหน้าที่ต่อมัดคือทำให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญขึ้นเราทำหน้าที่อันนี้เสร็จในขณะจิตเดียวเพราะในขณะจิตนั้นก็คือขณะที่บรรลุพระอรหันตะ์แล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเราจะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ว่างเปล่านะมีแต่ธาตุมีแต่ขันที่ทางานไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะจิตก็เป็นเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้ดีก็ปรุงไม่ได้นะชั่วก็ปรุงไม่ได้นะไม่ทําให้จิตนี้กระเพื่อม บ, บั่นไบขึ้นไาอีกแล้วสุขทุกข์ก็ไม่เข้ามาปรุงแต่งได้เนระียเป็นอิสระภาพที่แท้จริงเป็นบ ร, รมสุขนะตัวนี้เป็นบ ร, รมสุขท่านบอกนิพพานังปรามังสุ ข, ขังปรามังสุขขังก็คือบ ร, รมสุขนั่นเอง ฝึกนะให้ฝึกไปตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต้นก็หากมีศีลคือการมีสติรู้ทันราคะโทสะหากให้มีสมาธิให้จิตอยู่กับตัวเองด้วยการรู้ความฟุ้งซ่านที่จิตไหลไปหากเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันแยกธาตุแยกขันแล้วมีจิตเป็นคนดูอยู่เพื่อจะเห็นความจริงของธาตุของขันพอเห็นความจริงนะั้นก็จะได้มาร์กฝนเป็นลําดับลําดับไปความจริงเบื้องต้นคือเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เรา ไม่มีเราที่ไหนเลยความจริงเบื้องปลายก็คือขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกขนะ์ไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตทัก็หมดความยึดถือขันนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการปฏิบัตินะแต่ลีลาในการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแต่หลักที่หลวงพ่อพูดเนี้ยเป็นหลักเดียวกันทุกคนแต่พอลงมือปฏิบัติไม่เหมือนกันสักคนทางใครทางมันนะบางคนยังเจริญปัญญาเนะบางคนต้องทําสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลัง บางคนจเจริญปัญญาก่อนพัฒนาสมาธิทีหลังบางคนทำสมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยบางคนเริ่มจากการรู้กายบางคนเริ่มจากรู้เวทนาสุขทุกข์บางคนเริ่มรู้ทันที่จิตที่เป็นกุศลอกุศลบางคนเห็นสภาวธรรมทั้งดีทั้งชั่วทำงานนะเห็นกระบวนการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะหรืออย่างการทำสมถนะนบางคนก็ต้องการ รู้ลมหายใจแล้วจิตสงบบางคนพุโทโธจิตสงบบางคนดูท้องเพางยุบจิตสงบนแต่ละคนไม่เหมือนกันใยกรรมฐานเนี่ยต้องดูกรรมฐานที่เหมาะกับนิสัยของเราเองจิตนิสัยเราเป็นยังไงเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองถ้าจะทําความสงบทําสมธถกรรมฐานนะก็ดูว่าจิตเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็รู้สิ่งที่มีความสุขบ่อยๆจิตจะสงบอยู่ในความสุขนั้นไม่หนีไปที่อื่นถ้าเราจะทำํำวิปัสสนาเราก็มาดูตัวเองนะ ถ้าดูกายได้ชัดดูก็ดูกายถ้าดูจิตได้ชัดล้วก็ดูจิตไม่จําเป็นต้องเรียนแบบใครนะทางใครทางมันแต่สุดท้ายจะรู้แจ้งทั้งกายรู้แจ้งทั้งจิตเบื้องต้นรู้แจ้งว่าไม่มีเราเบื้องปลายรู้ว่าสิ่งที่มีก็คือมีตัวทุกข์เหมือนกันหมดแหะแต่จะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้เหมือนนะไม่มีความแตกต่างต้องดูตัวเองบางคนไม่ชอบดูจิตก็ดูกายบางคนดูกายไม่เห็นนะดูเห็นแต่จิตก็ดูจิตไป ไม่จำเป็นต้อเรียนแบบกันทางใครทางมันแต่หลักการนะั้นเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยแต่วิธีการเนี่ยหลากหลายแล้วแต่จริตนิสัยรอบสองนี่ยา ก, กว่ารอบแรกเยอะเลยเนาะ เ, นเรื่องเจริญปัญญาปัญญาเรายังไม่แก่กล้าก็ายากหน่อยเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องหมูหมูมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะเรื่องปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องมีในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนหะเอาต่อไปสมาบ้าน มีไหมให้พวกอยู่วัดก่อนรันการคารมพ่อช่วงสองสมวันที่อยู่วัด น, นี่ก็เริ่มมีสมาธิขึ้นแต่ว่าโชคระหว่างทำในรูปแบบระหว่างเดินบางทีเนี่ยจะรู้สึกนิ่งเฉยอฉยรู้สึกว่าจิตมันนิ่งเออไม่เอาจะไปประของให้นิ่งอะ น, นั้นไปปะปละของมันไปรักษาให้มันนิ่งแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยถึงจะใช้ได้ ไม่ได้ถ้ารู้ตัวแล้วมันนิ่งทื่อๆ อ, อยู่ไม่ได้นะตรงที่รู้ตัวแล้วมีสองแบบหนึ่งรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าพุทโธจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใช้ได้ถ้ารู้ตัวแล้วนิ่งๆทื่อๆ อ, อยู่เนี่ยใช้ไม่ได้รู้เหมือนกันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแต่ใจทื่อๆเนี่ยอย่างนี้ทื่อแบบโหดร้ายอีกพวกหนึ่งแบบเสื่องๆเลยใช้ไม่ได้นะ รู้อยู่นะรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจนี่ผิดปกติใจต้องเป็นธรรมดาใจที่ธรรมดาคือใจที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานอย่นให้มันทื่อนะถ้าถือไม่ถูกหรอื่อเกิดจากอะไรถื่อเกิดจากโลภอยากดีแล้วไปจ้องมันแค่แค่นั้นเองถ้ารู้ทันใจโลภนะก็หายถ้ารู้ไม่ทันมันก็เป็นอย่งน้นจ้องอ ให้รู้ทันทจิตเออรู้ทันรู้ทันว่าประคองมันไว้รักษามันไว้อย่าไปรักษามันเราม่มีหน้าที่รักษาจิตนะคนที่มีหน้าที่รักษาจิตคือสติเรารักษามเขาเองเราไม่ต้องไปรักษามันหรอกมันไม่ใช่เราไปรักษามันทำไมพุโทโธแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปแบบที่หลวงพ่อบอกเออใช้ได้ โน่เห็นว่าจิตมันไหลไปได้เองอะค่ะเอ อ, นะอนั้น่ะมันเป็นอนัตต า, าอนัตตาคือมันเป็นเองไม่ใช่เร า, าเป็นกุศลอกุศลได้เองเหมือนกับว่ามันทำงานของมันได้เองเราบังคับมันไม่ได้มันมองในมุมนี้มากขึ้นเออนั่นดีมองอย่างนี้เขาเรียกว่าไปหมายหมายรู้ในมุมของอนัตตา<ม>เรียกว่ามีอนัตตสัญญาดีไปทาอีกทานะให้มันพอ แล้วก็เห็นว่าเวลาที่เราทําคิดพูดอะไรมันจะแฝงอัตตาใช่ดีที่เห็นนะรู้ทันไปรู้ทันนะเราต่อไปเราจะรู้ในเวลาเกิดกิเลสตัวไหนก็ไม่น่าอายเหมือนเกิดเซลล์นะมีกูมีกูนะมีเซลล์ขึ้นมานะอายใครรู้สึกอายไหมเวลาดูออกว่ามีเซลล์บ อ, อกไหมจะอายนะ โยเป็นหน้าด้านพิเศษ <c oughs> ไม่อายถ้าถกดทั่วทั่วไปรู้ละอายใจเรียกมีฮีรี อ, อายมันกดไว้เวลาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเออถ้ารับหลังไม่กดคือมีสติไหมหรือรับหลังไม่กดเดีนน๋วหนีไปเลยนะไม่อย่าไปกดมันนะแต่ถ้าหนีไปเรารู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ได้ได อ, อยู่กับพุทโธอย่างนี้ค่ะได้ได้อยู่กับพุทโธ <c oughs> จิตหนี <c oughs> มารู้นะฝึกให้มาก <c oughs> แล้วอยู่กับพุทโธไปต่อไปพัฒนาขึ้นไปอีก จิตสุขก็รู้พุโทโธไปจิตทุกข์ก็รู้พุโทโธไปจิตสงบก็รู้จิตฟูส้สร้างรู้เนี่ยเรเดินปัญญาต่อไปเลยอ่ะต่อไปมีใครจําเป็นขอที่จําเป็นจริงๆนะหลวงพ่อไม่มีเสียงแล้วมาสการหลวงพ่อครับ ม, ม า, มาไม่ได้ส่งเปนบ้านมาเห็นไหมว่าขันขันกรบจิตมันกุลาหนนะันละดออกไหมเห็นไหมกายกายับใจกุลาหันตอนนี้ ยังรู้ไม่ไออกครับพ่อ <c oughs> เห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกระจายเป็นโคนละอันตอบไมมันมันเริ่มเริ่มเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาแล้ว <c oughs> เออนั่นแหละอย่างนี้แสดงว่าถนัดดูจิตมากกว่าดูกาย <c oughs> มันก็จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายนะการจิตเนี่ยคนละนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเหมือนกันสุขความสุขความทุกข์เป็นทนาขันนะไม่ใช่จิตหรอกดีชั่วเป็นสังขารขันไม่ใช่จิตหรอกอันนี้เหมือนเริ่มแยกแล้ว แต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษอะไรขึ้นมาก็คือมันมันเป็นอยู่แล้วเออมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะจรงิงๆมันเป็นอย่างเนี้ยเราดูไปจนใจมันยอมรับความจรงิงเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยรู้สึกไหมครับความเป<ๆ>็นเราเป็นแฝงอยู่ที่จิตนี้แล้วความเป็นเรามาจากความคิดนะถ้าใจเรารู้สึกตัวขึ้นมาน ะ, ไ ม, ไ, นะไม่ได้ไปคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ไปหมายว่านี่เป็นเราเป็นเราความเป็นเราไม่มีหรอก ให้ดูไปนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าเราไม่มีมีแต่ขันห้ามทํางานไปก็ให้ดูอย่างนี้ไปต่อใช่ไหมครับใช่ทําได้ถูกแล้วครับทำได้ดีแล้วสังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนก็ตอนนี้ทําชั่วทํายากขึ้นนะจะทําชั่วได้ยากขึ้นครับทําดีได้ง่ายขึ้นไปทําทําถูกแล้วทาได้ดีใช้ได้คขอบคุณครับหลวงพ่อครับไม่แน่ใจว่าที่ รู้สึกดูว่าถูกไหมเพราะว่ารู้สึกบางทีบางทีความรู้สึกมันแน่นๆที่น้าอกแล้วก็มีตัวรู้เหมือนอยู่ข้างหลังหลังโจงใจมากไปโจรใจมากไปโจงใจรู้สึกมากไปรู้สบายสบายรู้เล่นเร่งเรจิตไม่ค่อยตั้งมั่นพอเราจงใจมากนะมันจะแน่นแข็งแข็งเป็นตัวรู้ที่ไม่ไม่ดีไงเป็นตัวรู้ที่หลวงพ่อบอกเป็นตัวรู้ชนิดไม่ดี ถ้าตัวรู้ดีเป็นธรรมชาตินะใจสบายอย่าไปอยากมันตัวรู้ไม่ดีเนยเกิดจากโลคอยากปฏิบัติใช่ไหมอยากรู้ชัดๆอยากรู้ตลอดเวลากลัวจะเผลออะไรเงี้ยพาเป็นอย่างนั้ <c oughs> นนะไม่จะไปบังคับตัวเองไห ม, มจะแข็งๆนะเออไปรู้เล่นๆรู้สบายๆหลวงพ่อ <c oughs> ขอเวลาเท่านี้นะไมแ่แล้วเป่าหนาเอา